เราทำงานบริหารนะเราก็ต้องรู้ว่าเราจะทำอะไรจะทำเพื่ออะไรทำอย่างไรอย่างไรเป็นกลวิธีแท็กติกเราจะต้องทำอะไรเพื่ออะไรตรงเพื่ออะไรนี่เป็นวัตถุประสงค์ objective ทำอะไรบ้างนี่เป็นงานถ้าทางทหารเรียกยุทธศาสตร์ s t r a t e g i ในทางศาสนานี่ก็เหมือนกันเราจะเรียนธรรมะเนเรียนเพื่ออะไรเป้าหมายสูงสุดหรือวัตถุประสงค์สูงสุดของการศึกษาธรรมะก็คือการถอดถอนใจของเราออกจากความทุกข์ให้ได้จะต้องพ้นทุกข์เบื้องต้นต้องพ้นทุกข์พ้นทุกข์คือการพ้นจากขัน ก็ขันคือตัวทุกข์กายนี้ใจนี้คือตัวทุกข์พ้นทุกข์ก็คือจิตมันไม่มีความยึดถือขันมันหมดความยึดถือแล้วก็ดํารงชีวิตไปจนวันที่ขันมันแตกดับเรียกว่าดับทุกข์นะแล้วพ้นทุกข์สิ้นเชิงเลยทั้งทางกายทางใจในภาวะที่ดับทุกข์ตรงที่พ้นทุกข์นั้นพ้นแต่ใจความทุกข์ทางกายยังมีอยู่ งั้นเราเรียนไปเพื่อความพ้นทุกข์เพื่อความดับสนิทแห่งทุกข์นี่คือจุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนาศาสนาอื่นเขาก็มีปลายทางของเขาเช่นเข้าถึงชีวิตที่เป็นอมตะอยู่กับพระเจ้าอยู่สวรรค์อยู่พรมโลกนั่นก็มีเป้าหมายจุดมุ่งหมายหลักแตกต่างกันไปเขาก็ดีแบบของเขานะ ชาวพุทธเราก็ดีเปแบบของเราต่างคนต่างก็ดีแต่ดีไม่เหมือนกันเราเวลาเราพูดถึงาศาสนาอื่นเราจะไปบอกนะว่าดีเหมือนๆกันพูดอย่างนั้นไม่รู้เรื่องเลยต้องดีด้วยกันต่างคนต่างดีเราเป้าหมายสูงสุดมันไม่เหมือนกันพระพุทธเจ้าทดลองมาแล้ว เป้าหมายของพวกพราหมณ์พวกสมัยก่อนพวกพราหมณ์ยังไม่มีฮินดูพวกพราหมณ์เป้าหมายสูงสุดก็คือการที่จะเอาจิตของตัวเองเซึ่งเขาคิดว่าเป็นของอมะตะไม่ตายตายแต่ร่างกายเอาจิตของตัวเองเนีไปรวมเข้ากับบรมอัตตาเรียกปรมาตตมันรวมเข้ากับบรมอภรณ์ แล้วก็คิดว่าอยู่ตัวนั้นจะถาวรมีความสุขถาวรพุยจเจ้าท่านก็ทดลองเข้าฌานอย่างที่พวกฤาษีสอนท่านก็ทำได้นี่สติปัญญาท่านแก่กล้ามากท่านเห็นว่าจิตสงบลงไปนะต่อไปมันก็ฟุ้งซ่านได้อีกเพราะฉะนั้นการมุ่งพัฒนาจิตให้มันสงบ ยังไม่ใช่ทางแก้ปัญหาที่ถาวรเวลามีความทุกข์ไปเข้าสมาธิเหมือนเหมือนเราไม่สบายเป็นไข้ไปกินยาแก้ปวดไม่ได้แก้ต้นเหตุท่านก็มาค้นคว้าหาวิธีของท่านเองจนในที่สุดท่านก็พบวิธีการปฏิบัติที่ท่านนำมาสอนพวกเรานี้แหละอยู่ในหลักของไตรสิกขา บทเรียน3บทบทที่1ชื่อศีลสิกขาเรียนเรื่องศีลบทที่2ชื่อจิตสิกขาเรียนเรื่องเกี่ยวกับจิตบทที่3ปัญญาสิกขาเรียนให้รู้วิธีเจริญปัญญาเห็นไหมเรื่องจิตสิกขาเป็นการเตรียมความพร้อมของจิตให้เหมาะสมสําหรับการเจริญปัญญา ถ้าพวกเราจะปฏิบัตินะเราก็ต้องตามทํตาตามแนวที่ท่านบอกไว้วันหนึ่งเราก็จะเข้าไปสู่ความพ้นทุกข์ื่อเจ้าท่านบอกว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์นะในความบริสุทธิ์นั้นมันไม่มีความทุกข์เกี่ยวพนเลยไม่มีกระทั่งขันนะท่านบอกบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยศีลไม่ใช่ด้วยทาน ไม่ใช่ด้วยสมาธิไม่ใช่ด้วยการคิดเอาปัญญาตัวนี้ไม่ใช่ปัญญาจากการคิดเป็นปัญญาจากการเห็นเรียกว่าวิปัสนาปัญญาวิปัสนาจะคำว่าวิกับปัสชนะปัสชนะแปลว่าการเห็นวิก็คือวิเศษนั่นเองเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นถูกอาศัยวิปัสนาปัญญาปัญญาที่เกิดจากการเห็นถูกนึก ก็ทำให้จิตเข้าสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้แต่ก่อนที่จะเห็นถูกนะต้องเห็นตามความเป็นจริงให้ได้สะก่อนถ้าเห็นตามความเป็นจริงก็จะค่อยๆเข้าใจมันจนกระทั่งวางได้อันแรกก็เห็นความจริงของกายเห็นความจริงของใจไปก่อนความจริงของกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา พอเห็นความจริงมากเข้ามากเข้านะจิตมันจะพัฒนาตัวมันเองมันจะเกิดความเบื่อหน่ายคลายความยึดถือมันจะเบื่อนะเบื่อด้วยปัญญาอันยิ่งเลยเบื่อสุขกับทุกข์เหมือนเหมือนกันเบื่อดีกับชั่วเหมือนเมือนกันพอเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายพระเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือคลายกำหนัด ก็คลายความยึดถือก็หลุดพ้นไม่ยึดมันก็หลุดเหมือนอย่างหลวงพ่อถือพัดเนี่ยแค่ไม่ยึดถือมันนะมันก็หลุดของมันเองพันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราไม่ยึดถือมันมันก็หลุดออกไปเองจิตก็ไม่ต้องแบ ก, กันอีกต่อไปงั้นจุดสำคัญมันอยู่ที่จุดตั้งต้นจุดตั้งต้นคือเพราะเห็นตามความเป็นจริง ก็เห็นความจริงได้ก็จะเบื่อหน่ายคลายกำนัดแล้วก็หลุดพ้นนะั้นก่อนจะหลุดพ้นเนี่ยต้องเห็นตามความเป็นจริงเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงคือเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจให้ได้การจะเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจได้จะต้องเตรียมจิตให้พร้อมเพราะใครเป็นคนเห็นจิตเป็นคนเห็นถ้าจิตไม่มีคุณภาพจิตไม่สามารถเห็นความจริงของกายของใจได้ จิตของเรานั้นปกติเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งตลอดเวลาชอบออกความคิดชอบออกความเห็นนั้นจิตไม่เค่อยไปรู้ความจริงจิตเราแต่คิดเอาเองความคิดไม่ใช่ของจริงคิดถูกก็ได้คิดผิดก็ได้นะจิตปกติเนี่ยชอบคิดนึกปรุงแต่งจิตที่คิดนึกปรุงแต่งนั่นแหละขวางการเห็นตามความเป็นจริงเอาไว้ เราต้องแปลสภาพจิตผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งให้เป็นจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเมื่อเป็นผู้รู้เมื่อจิตเป็นผู้รู้แล้วก็จะได้รู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นรู้ตามความเป็นจริงได้ต้องเปลี่ยนจิตผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งให้เป็นจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นจิตผู้รู้อย่างเดียวได้หมไม่ได้ต้องตื่นด้วยรู้เนี่ยรู้แบบ หลงๆก็ได้รู้แบบหลับฝันก็ได้จิตต้องตื่นแล้วต้องรู้แบบเบิกบานไม่ใช่รู้แบบแห้งแลง้งบางคนรู้แบบแห้งแล้งแข็งกระด้างจิตผู้รู้นะมีจริงแต่เป็นผู้รู้แบบแข็งๆทื่อๆจิตผู้รู้อย่างนี้ใช้ไม่ได้เพราะไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเมื่อไหร่ที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตก็จะพ้นสภาพ ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งเมื่อไรจิตเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งจิตก็พ้นสภาพของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานครูบาอจารย์องค์หนึ่งหลวงปุ่เทศท่านสอนเรื่องจิตกระใจท่านบอกจิตอันใดก็ใจอันนั้นอันนี้เป็นสํานวนของท่านนะแต่ไม่ใช่สํานวนทางวิชาการไม่ใช่ภาษาทางวิชาการแต่ต้องการสื่อให้เห็นว่าท่านสอน สภาวะไปสองอย่างเนี่ยจิตสองชนิดนี้แหละอันหนึ่งท่านเรียกจิตว่าจิตเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตอันใดก็ใจอันนั้นแหละคืออันเดียวกันแหละแต่ว่ามันทํางานต่างกันเมื่อไหร่มันไปทํางานคิดนึกปรุงแต่งนะจิตดวงใดไปทํางานคิดนึกปรุงแต่งหลกงปู่เทสเรียกจิตถ้าเมื่อไหร่จิตดวงใดทําหน้าที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้านเรียกว่าใจ ก, ก่อนที่เราจะไปเห็นตามความเป็นจริงเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงได้นะเราต้องมาพัฒนาจิตซึ่งเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุง ผ, ผู้แต่งให้มาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสะก่อนบทเรียนในการพัฒนาจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเรียกว่าจิตสิกขาทีนี้บทเรียนของพระพุทธเจ้านะต้องเรียนให้ครบจิตสิกขานะเป็นของสําคัญที่สุดเลยนะในการเจริญปัญญา ถ้าจิตของเราไม่มีคุณภาพเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันยังหลงเป็นผู้คิดผู้นึกอยู่มันจะเห็นของจริงไม่ได้เพราะความคิดมันจะปิดบังความจริงต้องหลต่ออกอ่างโลกของความคิดให้ได้เลยจิตวิกิขาเป็นบทเรียนสาคัญนะแต่อภัพไม่ค่อยมีใครสนใจพวกหนึ่งคิดว่ารักษาศีลห้าไว้แล้วก็ทำวิปัสสนาเลย ไม่ต้องสนใจเรื่องจิตหรอเพราะคิดว่าเรื่องจิตสิกขาทําให้เกิดสมาธิแล้วก็คิดว่าสมาธิเนี่ยเป็นของพื้นที่สุดเลยสมาธิเป็นของพื้นพื้นสมาธิเป็นองค์ธรรมที่เกิดร่วมกับจิตทุกดวงมันไม่ต้องไปเรียนหรอกมันมีอยู่แล้วอันนี้เกิดจากความบกพร่องอะไรเกิดจากความบกพร่องที่ไม่รู้จักว่าสมาธิมีหลายชนิดนั่นเองสมาธิมีอยู่แล้วสมาธิเกิดกับจิตอกุศลก็ได้เกิดจากจิต กับจิตที่เป็นกุศลก็ได้สมาธิเป็นสิ่งที่เกิดกับจิตทุกทุกดวงเรียกว่าเอกคตาเจตสิกมีกับจิตทุกดวงแต่ไม่ใช่สมาธิทุกชนิดของจิตทุกดวงจะเริยนปัญญาได้ไม่เนั้นสมาธิของจิตสัตว์นรกก็เดินวิปัสสนาได้ทำไม่ได้หรอกนี่พวกหนึ่งไม่เรียนสมาธิเลยดูถูกเหยียดหยามสมาธิด้วยซ้าไป แล้วก็เจริญวิปัสนาไปเลยเอาจิตซึ่งไม่มีคุณภาพที่จะเจริญวิปัสนาไปเจริญวิปัสนาผลก็คือถ้าไม่คิดก็เพ่งนี่เท่านั้นเองไม่สามารถเป็นผู้รู้ได้สภาวะมันมีสามแบบนะเป็นผู้รู้นะเป็นผู้คิดนะเป็นผู้เพ่งถ้าจิตไม่ได้เป็นผู้รู้จิตก็เป็นผู้คิดไม่เป็นผู้คิดก็เป็นผู้เพ่งไว้เฉยๆทาวิปัสนาไม่ได้ ยงตาเห็นรูปกำหนดอยู่ที่ตากำหนดมันคือการเพ่งนั่นเองนะหรือดูท้องผ่องยุคกำหนดอยู่ที่ท้องจิตก็ไหลไปอยู่ที่ท้องเป็นสงบอยู่ที่ท้องเป็นสมถะนะเพ่งท้องหรือนั่งคิดเอาเองร่างกายเป็นของเปื่อยเน่าออเป็นปฏิกูลเป็นอะไรต่ออะไรคิดเอาเองนะไม่ได้เห็นสภาวธรรมใช้ไม่ได้ อีกพวกหนึ่งไม่ได้เรียนจิตสิกขาแต่เห็นว่าสมาธิจําเป็นหัดนั่งสมาธิกันแล้วไปทํามิจฉาสมาธิขึ้นมามิจฉาสมาธิเป็นสมาธิที่ไม่มีสติไม่ประกอบด้วยสติเช่นไปนั่งดูไฟนั่งดูนะจิตไหลไปอยู่กับไฟเสียออกนอกเผลอไปเพลิน ไ, ไปแสงสว่างไฟแปลสภาพเป็นแสง เป็นดวงสว่างเพ่งดวงสว่างเพลินเลยนะมันเคลื่อนไปที่ไหนนะก็เที่ยวออกรู้ออกเห็นไปเที่ยวไปนรกเที่ยวไปสวรรค์เที่ยวไปโน้นเที่ยวไป น, น, ไปนี้ไม่ย้อนมาดูกายดูใจเลยนี่สมาธิอย่างนี้เป็นมิจฉาสมาธิออกนอกหรือนั่งแล้วเห็นโน้นเห็นนี้ไปเรื่อยนะแทนที่จะเห็นกายเห็นใจนั่งแล้วเห็นผีเห็นเทวดาเห็นอดีตเห็นอนาคตอะไรพวกนี้น ไม่ใช่สมาธิที่จะใช้เจริญวิปัสนาคนละแบบกันคนนั่งสมาธิเกือบทั้งหมดจะใช้สมาธิชนิดนี้นะอีกแบบหนึ่งนะถ้าไม่จิตสายออกไปเที่ยวรู้เที่ยวเห็นอะไรนะก็ไปนิ่งอยู่เฉยๆเช่นส่งจิตไปจับอยู่ในความว่างหลังๆนี้ก็สอนกันเยอะนะเรื่องสอนจิตให้ว่างทาจิตให้ว่างน้าจิตไ้ให้นิ่งอยู่ในความว่างอย่างเดียวเลย ดังนั้นเป็นทางไปอรูปฌานก็ยังไม่ใช่ทางที่จะไปพัฒนาจิตให้เจริญปัญญาจิตมันว่างไปแล้วจะไปเจริญปัญญาได้ไงจิตที่เจริญปัญญาได้มันต้องมีความเปลี่ยนแปลงได้ถึงจะเห็นไตรลักษณ์จิตนิ่งคงที่ว่างๆอยู่งั้นมีแต่ความสุขเฉยอๆอยู่ได้เป็นปีๆไม่ได้เรื่องอะไรยันถ้าไม่เรียนให้ดีนะพวกหนึ่งดูถูกสมาธิเลยพวกหนึ่งทาสมาธิผิด เชนสมาธิออกนอกกับสมาธิที่ไปเพ่งนิ่งๆอยู่ในอารมณ์เดียวในสมาธิที่ผิดจะมีหลายแบบสมาธิออกนอกไปเลยหลงรู้หลงเห็นอะไรออกนอกไปกัสมาธิที่ไปสงบไม่ยอมรู้ยอมเห็นอะไรอยู่นิ่งอยู่กับที่อะไรส่วนใหญ่ที่ทําสมาธิกันจะเป็นแบบนี้แหละแล้วก็พวกที่มาเข้าคอร์สมีแทบทุกรุ่นอ่ะจะทำสมาธิมาจะเป็นสมาธิใช้2อย่างนี้แหละ โดยเฉพาะสมาธิที่ไปเพ่งจิตให้นิ่งๆอยู่เฉยๆนะพวกนี้ถ้าพี่เลี้ยงเขาบอกว่าไปติดเพ่งติดนิ่งอะไรก็สังวรหน่อยนะอย่าเพิ่งปฏิเสธมันไม่จริงหรอกฉันทําสมาธิอยูนะ่ยันต้องระมัดระวังสมาธิมันมีทั้งหลายชนิดมีสมาธิอยู่ชนิดหนึ่งนะที่จิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจริงๆคือสมาธิที่จิตตั้งมั่น สมาธิจิตตั้งมั่นเนี่ยนะความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายเนี่ยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้แต่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคนดูเฉยๆดูอย่างสบายใจดูอย่างมีความสุขด้วยเช่นเห็นร่างกายมันไม่สบายนะความทุกข์ทรมานเกิดในร่างกายจิตมันถอยออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนะเห็นว่าร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งความทุกข์ความเจ็บความปวดอยู่อีกส่วนหนึ่งไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับจิตเลย ความทุกอย่างมากก็กระทบเข้าถึงกายแต่กระทบเข้ามาไม่ถึงจิตจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานงั้นเราจะต้องพัฒนาสมาธิที่ถูกชนิดขึ้นมานะนี่เป็นเรื่องใหญ่นักปฏิบัติมีจำนวนเยอะนะมีเป็นหมื่นเป็นแสนคนเลยเนี่ยเยอะแยะไปที่ไหนที่ไหนก็ภาวนาปฏิบัติกันแต่ทำไมคนได้มากผลนิพพานมันน้อยเหลือเกินเพราะว่าไม่มีสมาธิที่ถูกต้อง ถ้ามีสมาธิที่ถูกต้องแล้วนะเอาจิตที่มีสมาธิถูกต้องเนี่ยไปเจริญปัญญาอย่างถูกต้องและมากพอคือปฏิบัติถูกแล้วก็ปฏิบัติพอมากผลไม่หนีไปไหนหรอกในเวลาอันสั้นต้องสั้นเลยนะไม่ใช่ทาไปยี่สบสสิปีก็เหมือนเดิมนะถ้าใครปฏิบัติมาหลาย1ิปีแล้วก็เหมือนเดิมสงบแล้วก็ฟุ้งสงบแล้วก็ฟุ้งให้สั ง, งวไีไว้เลยคงจะไม่ถูกหรอกนะ ทำไมไม่มีพัฒนาการแหวกวงล้อของความเจริญและความเสื่อมออกไปได้วนอยู่อย่างนั้นเดี๋ยวก็เจริญเดี๋ยวก็เสื่อมเดี๋ยวก็เจริญเดี๋ยวก็เสื่อมแหวกออกไม่ได้ก็ต้องต้องตระหนักขึ้นมานะต้องฉเฉลียวใจขึ้นมาธรรมมาของพระเจ้าไม่ได้ต่ําต้อยขนาด น, นั้นหรอกอย่า ก, ก็หลับหูหลับตานั่งสมาธิให้สงบแล้วก็เดี๋ยวก็ฟุง้องอะไรเงี้ยใช้ไม่ได้จริงหรือพิจารณาไปเรื่อยนะดูหรือคิดไปเรื่อย ใจก็ฟุ้งไปด้วยเกิดความอิมโมอิมใจเป็นคลาลๆแต่ไม่ล้างกิเลสหรอกอย่างถ้าพวกเรามานั่งคิดนะต่อไปไม่นานเราก็ตายร่างกายเป็นของไม่แน่นอนองนีน้คิดไปทุกวันทุกวันนะใจสบายใจมีความสุขมีความสงบเพราะเป็นมรณานุสติเป็นสมถะกรรมฐานแต่ว่าพอสมาธิเสื่อมกิเลสกลับมาเหมือนเดิมเลยร้ายเหมือนเดิมรู้หรอกว่าจะต้องตายแต่ตอนนี้ยังไม่ตายเอาไว้ก่อน จะเป็นอย่างนั้นฉนะนั้นจะต้องมาฝึกจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้ได้นะต้องฝึกให้ได้ตัวนี้ถ้าจิตเป็นผู้รู้แล้วนะเอาจิตที่เป็นผู้รู้นั่นแหละมาดูกายดูใจทํางานก็เห็นความจริงของกายของใจเพื่อเห็นตามความเป็นจริงนะเจวันเจเดือนเจปีเลยเนี่ยจะเบื่อหน่ายคลายความยึดถือแล้วหลุดพ้น ถ้าบารมีแก่กล้าอย่างสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าท่านเทศสติปัฏฐานให้ชาวกุรุฟังครูบาอจารย์ท่านเล่ามาหนูงพ่อเคยได้ยินท่านบอกพวกกุรุเนี่ยบารมีมันเต็มพระพุทธเจ้าเทศธรรมะชั้นสูงมากเลยคือสติปัฏฐานให้พวกกุรุฟังและท่านก็สรุปตอนท้ายนะว่าถ้าทําอย่างที่ท่านสอนเนี่ยเจริญสติปัฏฐาน ใช้จิต ท, ที่ถูกต้องนี่แหละไปดูความจริงของกายของใจนี่แหละเกิดสติปัฏฐานที่ให้เกิดปัญญาถ้าทําอย่างที่ท่านสอนนะเจปีถ้าไม่ได้พระอราหันต์ก็จะได้อนาคาเนี่ท่านบอกงี้นะท่านบอกเจ็ดปียกยงไว้เถอะบางคนหปีถ้าไม่ได้พระอราหันต์ก็จะได้อนาคาบางคนหปีบางคนสม ป, บปีบางคนปีเดียวหนึ่งปียกไว้เถอะ บางคนที่แก่กล้ากว่านั้นนะเจเดือนก็จะบรรลุพระอรหันต์หรือพระอนาคาเจเดือนยกไว้เหอบางคน6เดือนเท่านั้นแหละไม่ได้อรหันต์ก็อนาคาบางคนหเดือนบางคนสเดือนบางคนเดือนเดียวหนึ่งเดือนก็ยกไว้เถอะบางคน7วันเองถ้าไม่ได้อรหันต์ก็อนาคาเจ็วันยกไว้เถอะถึงว่าไม่ต้องสนใจหรอกบางคนแค่6วันเองนะ หวันหนึ่งวันบางคนในวันนี้เลยนะอันเนี้ยพวกกุรุนะพวกกุรุเนี่ยบารมีแก่กล้ามากเลยวัดยังไงว่าเขาแก่กล้าจริงพวกกุรุพอฟังผู้เทศเจ้าสอนสติปัฏฐานนะชาวกุรุเนี่ยไม่สนใจเรื่องอื่นนะเจอหน้ากันแล้วถามพ่อเจ้าประคุณวันนี้ได้เจริญสติปัฏฐานหรือยังนี่ทักทายกันอย่างนี้นะ ครูบาอาจารย์ท่านเปรียบไว้นะว่าคนรุ่นพวกเราเนี่ยอินทรีย์มันหยาบบุญบารมีมันต่ํากว่าคนกุรุบอกอย่างกระวัวกระก ว, าวายบางคนนะครูบาอาจารย์พยายามสอนนะยากกว่าเข็นไกวขึ้นภูเขาอีกท่านว่าอย่างนี้นะเข็นไายขึ้นภูเขานะั้นเข็นครกขึ้นภูเขามันยังไม่กวิดเอานะเข็นไายขึ้นเขาได้ไม่ได้มันกลิดเอาคือสอนให้มันเล่นงานเราอีกนะนี่พวกเรา เรามาสวมวิญญาณของชาวกุรุนะขยันเจริญสติปัฏฐานมีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วดูความจริงของกายของใจเรื่อยไปแล้วก็ทำสติปัฏฐานในระดับวิปัสสนะสติปัฏฐานมีสองสเตป็ปขั้นต้นนะเป็นไปเพื่อสติขั้นท้ายเป็นไปเพื่อปัญญาขั้นต้นเป็นไปเพื่อสตินะต้องฝึกสติพอได้สติขึ้นมาก็จะได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญามาเป็นลาดับ งั้นการที่เราจะมาฝึกนะถ้าจะรวบย่อหลักของการปฏิบัติทั้งหมดเลยอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนชาวกุรุเนี่ยจะครอบคลุมทั้งหมดเลยตั้งแต่เรื่องสติศีล ส, สมาธิปัญญานี่จะคลุมอยู่ในเรื่องของสติปัฏฐานเรื่องเดียวนี้แหละถ้าเข้าใจเรื่องสติปัฏฐานเข้าใจทั้งหมดเลยนี่พวกนี้เขาบารมีมากของเราก็าาต้องขยายความแต่ละส่วนหน่อยสติปัฏฐานแบบไหนทําให้เกิดสติ สติอย่างไรทําให้มีศีลสติอย่างไรทําให้เกิดสมาธิสติแบบไหนที่ควบกับสมาธิที่ตั้งมั่นแล้วจะเกิดปัญญาเนี่ยก็ต้องเรียนกันเยอะหน่อยเพราะเราไม่ใช่ชาวกุรุนะทำอย่างไรจะมีสติทําอย่างไรจะมีปัญญามีสติอย่างไรจะเกิดศีลมีสติอย่างไรเกิดสมาธิมีสติอย่างไ ร, ร, งไรเกิดปัญญา กาสิ่งที่เราจะเรียนกันนะต่อไปนี้นะก็คือทำอย่างไรจะเกิดสติมีสติอย่างไรจะมีศีลมีสติอย่างไรจะมีสมาธิมีสติอย่างไรจะมีปัญญาเมื่อมีปัญญาเห็นความจริงของกายของใจของรูปนามนะจิตจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดแล้วหลุดพ้นอันนั้นเป็นผลของจิตที่จะเป็นไปเองเรามีหน้าที่พัฒนาสติขึ้นมาเป็นเครื่องมือ พอมีสติเป็นเครื่องมือแล้วรู้วิธีนะศีลจะเกิดสมาธิที่ถูกต้องจะเกิดสมาธิถูกต้องเกิดแล้วอาศัยสติระลึกรู้รูปนามมีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยมีสมาธิที่ถูกมีสติไปรู้รูปนามปัญญาก็จะเกิดจะเห็นความจริงของรูปนามว่ามันเป็นไตรลักษณ์พอเห็นความจริงแล้วจิตจะเบือ่ออันนี้เขาเบื่อของเขาเองห้ามแกล้งเบือ่อ เขาจะเบื่อสุขกับทุกข์เท่าๆกันเบื่อดีกับชั่วเท่าๆกันไม่ใช่รักสุขเกลียดทุกข์รักดีเกลียดชัว่วเนะี่ยจะเท่าเทียมกันทุกสิ่งทุกอย่างจิตจะเข้าสู่ความเป็นอุเบกขาอุเบกขาด้วยปัญญานี่มีสังขารู้เปกขายานเมื่อจิตก้าวมาสู่ความเป็นกลางต่อสังขารทั้งหลายด้วยปัญญาแล้วนะจุดนี้คือประตูแห่งการ เกิดอริยมรรคอริยมรรคเกิดเองเราสั่งให้เกิดไม่ได้แต่อาศัยที่เราจเจริญศีลสิกขาจิตตสิกขาปัญญาสิกขาจนแก่รอบนือริยมรรคเกิดเองนี่จะมีศีลสิกขาจิตตสิกขาปัญญาสิกขาเนี่ยนะรากเง่าของมันมาจากสตินี่แหละงั้นเราจะมาเรียนอกันก่อนว่าทําอย่างไรสติจะเกิด เมื่อสติเกิดแล้วทำอย่างไรจะมีศีลจะมีสมาธิจะมีปัญญาเมื่อมีปัญญาแล้วเนี่ยจิตจะเบื่อในาใยคลายกำหนัดแล้วหลุดพ้นของจิตเองนะเป็นเองไม่ต้องทำอะไรจิตเขาเป็นเองอ่งเชิญไปกินข้าวนะนี่ให้พะโมงพับกว้างๆไว้ก่อนนะ